หลักของพรุทธศาสนาสอนให้มีความจริงใจพึ่งตนเองได้โดยลําพังเราไปไม่รอดต้องมีเครื่องเหมือนเขาจะทำงานอะไรก็ต้องมีเครื่องมือใจที่จะก้าวเดินให้ถูกทาง พอตองอาศัยเครื่อง น, นํเนินคือธรรมของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นธรรมที่ถูกต้องอย่างยิ่งแล้วไม่มีข้อสงสัยใดๆทั้งสิ้นท่านจึงให้น้ำว่าสวดขาตธรรมเราสวดอยู่ทุกชช่าทุกเย็นที่ว่าสวดขาโตพระรวตาธรรมโม ถ้ารมอันประภูมีพระภาดเราจาดไว้ชอบแล้วนะทั้งเบื้องต้นทำกลางและที่สุดของจิตของธรรมล้วนแต่สอนแนวทางไว้โดยถูกต้องไม่มีผิดพลาดแม้แต่น้อยเลยหากผู้นับถือพระพุทธศาสนา จะยึดเป็นหลักเป็นเกณฑ์ภายในจิตใจอย่ยางแท้จริงตามพระเมตตาที่ทรงประทานพระโอวาทไว้นี้ก็พึ่งตนเองได้ <c oughs> ไม่เหลวไหลตลอดไปตั้งแต่ต้นจนอวสานแห่งชีวิตพบนี่พบนั้นจะไม่เหลวไม่เหลวในความเป็นอยู่เป็นไป ทั้งพบนี่และพบหน้าพบไหนๆและยังจะเป็นเครื่องตัดวัฏฏะบนคือความเกิดตายนี่ให้ย่นเข้ามาเป็นลำดับลาดับเพราะการทาถูกทาดีเครื่องช่วยตนเองให้ทุกน้อยลงพบชาติน้อยลงเพราะกิเลสน้อยลงไม่ใช่มาสั่งสมและส่งเสริมกิเลส ด้วยการปฏิบัติธรรมโดยเพียงความสําคัญว่าตนปฏิบัติธรรมเท่านั้น <c oughs> ความจริงแล้วตัวเราเองเป็นข้าศึก ต, ต่อธรรมของพระพุเทธเจ้าคือกิเลสนั่นแหละพาให้เป็นข้าศึกเพราะมีการขัดแย้งต่อความถูกต้องดีงามอยู่ตลอดเวลาภายในใจของเราแต่ละลายละลายไม่ว่าการวะไม่ว่า พระว่านิยมผู้ปฏิบัติในวงของพุทธบริษัทแห่งพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นพระองค์จึงตรัสว่าผู้ที่จะทำศาสนาให้เสื่อมก็ดีให้เจริญก็ดีไม่มีใครนอกเหนือไปจากพุทธบริษัทคือผู้นับถือพุทธศาสนานี้นี่เป็นอันดับแรกทันวานนั้นเราอยากที่ตั้งแต่คนนั้นคนนี้ให้ห่างไกลไป ในวันหนึ่งวันหนึ่งควรคิดเรื่องของเจ้าของที่วิเลศภาภายในใจพาขัดแย้งต่ออัดต่อทำอันเป็นความถูกต้องดีงามของพระพุทธเจ้าซึ่งจะพาเราไปสู่ความดีทั้งหลายมันขัดมันแย้งอยู่ตลอดเวลาภายในใจิตใจของเรานี่แหละให้ดูตรงนี้อย่าไปดูผู้อื่นที่อื่นซึ่งไกลไปมาก ไม่ค่อยได้รับประโยชน์อะไรเหมือนดูเจ้าของใจเจ้าของที่คิดที่ปรุงอยู่ตลอดเวลานี้ขัดแย้งต่ออัดต่อทำทางดำเนินของพระพุทธเจ้าที่ทรงสั่งสอนไว้หรือไม่นี่ส่วนมากมันร้อยทั้งร้อยคิดปรุงออกมาในแง่ใดมุมใด น, นี่แต่เรื่องของกิเลสสร้างพกสร้างชาติให้แก่สัตว์ทั้งหลายภายในหัวใจของสัตว์นั่นแหละ ด้วยความเห็นชอบด้วยความคล้อยตามด้วยความไม่รู้สึกตัวเพราะกิเลสแหลมขมมากดังที่เคยแสดงมาแล้วไม่รู้กี่ครั้งกี่หนนี่ละค่าศึกของศาสนาค่าศึกของผู้ปฏิบัติเกิดที่ใจเพราะเทือของมันฝังอยู่ที่ใจ ขแนแงต่างๆจึงแตกออกมาจากใจไปไปเป็นความคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ซึ่งวนแล้วตั้งแต่เป็นกิ่งก้านสาขาดอกไปของกิเลสอันเป็นตัวเชื้อใหญ่นั้นทั้งนั้นแต่เร า, เราไม่ทราบไม่รู้ถ้าไม่ใช่ผู้ที่มีความสามารถฉลาดแหลมคมเต็มที่ดังพระอราหันต์ท่าน นั่นปิดไม่อยู่เรื่องกลมายาของจิตแม้จะไม่มีในหัวใจของท่านเพราะได้สิ้นซากไปแล้วก็ตามสิ่งเหล่านี้แสดงออกจากอากออกจากอากับกิริยาของผู้ใดสัตว์ตัวใดย่อมจะทราบโดยลำดับลำดาเพราะเป็นสิ่งที่เคยมีเคยเป็นอยู่ภายในใจิตใจ แนี่เคยฟัดเคยอย่างกันมาแล้วก่อนที่จะถึงความบริสุทธิ์ป้องใจเพราะธรรมชาติเหล่านี้ได้ทิ้นซาบลงไปนีนะ่เรื่องค่าสึกของพระพุทธศาสนาค่าศึกของเราผู้ปฏิบัติธรรมะโดยเฉพาะอย่างยึ่งเราเป็นกรรมฐานนี่แหละสำคัญมากจึงควรดูจุดนี้ อย่าดูสิ่งใดให้มากไปกว่านี้ซึ่งไม่ค่อยจะเกิดผลนอกจากจะเป็นโทษเสียมากกว่าโดยมองดูคนนั้นทำผิดนั้นทำพลาดนี้ไม่ดีอย่างนั้นยกโทษย ก, กรกอยาง น, นั่นคือทางผิดทางของกิเลสแสดงออกมาแล้วถ้าดูของตัวเองว่ามีความคิดความปรุงอย่างใดมันค่าศึกต่อธรรมและ ต่อเราหรือไม่ดูอยู่ด้วยสติท่านที่เรียกว่าความเพียรความเพียรเพียรดูเพียรดัดแปลงเพียรแก้ไขเพียรรักษาจิตใจของตนอยู่เสมออย่างนี้ท่านเรียกว่าความเพียรโดยชอบหรือความเพียรชอบผลิตที่ตังไว้ไว้ตรงนี้ก็เรียกว่สติชอบปัญญาที่พิจิตพิจารณาสิ่งที่เป็นภัยเพื่อน ดัดแปลงแก้ไขหรือสังหารมันนี้เรียกว่าปัญญาชอบนะันนี่ดูตรงนี้ไม่ค่อยขาดทุนศูนย์ดอกนอกจากจะเป็นประโยชน์แก่ตนโดยลำดับลำดาและมีความคล่องแคล่วแล้วกล้าไปโดยลำดับด้วยอำนาจของสติปัญญาที่เคยฝึกซ้อมอยู่ตลอดมาไม่ละไม่ถอนนี่แหละข้าสิกอยู่ที่ตรงนี้ ยิ่งคืออยู่ที่ใจทางเดินของค่าสึกนี้ก็อาศัยร่างกายเนี่เป็นทางแสดงออกโดยความประพฤติคําพูดคาจาคิริยามมรารยาตเป็นเครื่องแสดงออกของสิ่งเหล่านี้ทั้งนั้นถ้าไม่มีสติไม่มีปัญญาเครื่องกําจัดจะแสดงอยู่เรื่อยๆอย่างนี้ตลอดไป เพราะกิเลสไม่เคยมีความแก่ความชราคําคราเหมือนสภาพอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งหลายแม้จะเปลี่ยนไปก็เปลี่ยนไปเพื่อความเป็นกิเลสถ้าเราไม่ดักแปลงไม่มีสิ่งคัดค้านต้านทานกิเลสแล้วกิเลสจะเปลี่ยนแปลงไปวันยังค่ำก็ด้วยแม้จะเปลี่ยนแ ป, งปนงแ ล, แเปลแปงเพื่อความเป็นกิเลส ท, ทั้งหมดไม่มีที่จะเปลี่ยนแปลงไปเพื่อความชราค้ำคร า, ห, าหรือแตกดับ พังทลายลงไปเหมือนสิ่งทั้งหลายให้พื้นพากันจำมาไว้สิ่งนี้มีมาดั่งเดิมไม่มีทางที่จะระงับดับตนลงโดยลำพังหรือจิบหายจากจิตใจของสัตว์ไปโดยลำพังที่ไม่ได้ดัดแปลงแก้ไขหรือชำระสักพอกหรือสังหารมันด้วยเหตุนี้ทำจึงเป็น สิ่งสำคัญมากที่จะมาดัดแปลงแก้ไขหรือซักพอกทำลายมันด้วยความอุตสาห์พยายามด้วยความภาคเพียรด้วยสติปัญญาของผู้บำเพ็ญธรรมทั้งหลายเพื่อสังหารกิเลสกิเลสจึงจะลดน้อยถอยลงไปหรือว่าขาคข้าชลาลงไปได้ด้วยการถูกทุบถู ก, ถ ก, ถกตีโดยทางความเพียรในแง่ต่างๆ แล้วอยู่เฉยๆจะให้กิเลสค่อยเบาบางจางลงไปลงไปนีั้นเป็นไปไม่ได้ท่านจึงสอนให้เพียรสอนให้มีธรรมธรรมคือเครื่องต่อสู้ธรรมคือเครื่องกําจัดสิ่งที่กล่าวนี้ทั้งนั้นหากไม่มีธรรมแล้วสิ่งเล่านี้นจะแพ่พังทานออกเต็มกําลังความสามารถของมันโลกนี้จะมีแต่พื้นแต่ไฟทั้งนั้น เพราะไม่มีอะไรคัดข้านต้านทานกันถ้าเป็นโรคก็คอยแต่วันตายเ <c oughs> พราะของสแสลงรับเข้าไปทุกวันแต่ยุ่ยาและหมอไม่สนใจจึงมีทางตายได้สายเดียวเท่านั้นกิเลสมันสร้างตัวของมันภายในจิตใจของสัตว์โลกก็เป็นเช่นนั้นเหมือนกันนี่ตั้งแต่ของสแสลงเห็งธรรมแต่เป็นผลเป็นประโยชน์ของกิเลส เพราะฉะนั้นพิเรกจึงพอกผุนขึ้นเรื่อยๆไม่มีทางที่ว่าคำคล่าจะลาลงไปและแตกดับลงไปจึงต้องอาศัยหลักธรรมธรรมจรึงเป็นธรรมชาติที่จำเป็นต่อโลกเลื่อยมาและจะมีเรื่อยไปอย่างนี้ดังที่ท่านแสดงไว้ในเรื่องของพระพุทธเจ้าทั้งหลายมาตรสรู้นี่แหละคือมาประกาศสอนธรรม เพื่อชาระล้างหรือมาประกาศสอนอยู่ยาปุ่นยางไงมาประทานยาให้สัตว์โลกรับทานด้วยการประพฤติปฏิบัติศิ่ธรรมดยการแนะนำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและสาวกของท่านแต่ละองค์ละองค์เป็นครูเป็นอาจารย์ซึ่งเทียบกันกับหมอโลกยึงพอบรรเทา พอเป็นไปได้พอมีความสงบบ้างเพราะมียาคือทรรมเป็นเครื่องรักษาเนี่ยพระพุทธเจ้าจึงมีมากต่อมากมีมาเรื่อยๆก็เพราะสิ่งเหล่านี้มันมีอยู่ประจำจัดถ้าไม่มีทรรมเป็นเครื่องแก้ไขซักฟอกหรือชำระล้างกันแล้ว จะไม่มีความหมายเลยในสัตว์แม้ตัวเดียวรายเดียวว่าจะมีทางผ่อนคลายความทุกข์และสิ้นสุดทุกข์ไปได้จะมีแต่ความหมุนเวียนเกิดตายเกิด ต, ตายซึ่งเป็นเรื่องหากรองทุกข์ไปโดยลําดับด้วยการเกิดตายนั้นทุกภพทุกชาติไปไม่มีคําว่าสิ้นสุดยุติมีอย่างนี้ตลอดไป เมื่อมีพระพุทธเจ้ามาประทานพระโอวาสสั่งสอนก็เท่ากับมียามีหมอมารักษาโรคของคนไข้ก็ย่อมมีทางหายได้อย่างน้อยก็พอบรรเทาเบาบางเรื่องของความทุกข์ความทรมานที่เกิดจากโรคนั้นๆไม่คอยจะจะตายโดยถ่ยเดียวไม่ว่าโรคประเภทใดที่เกิดขึ้นเพราะไม่มีหมอไม่มียารักษานี่ โรคภายในจิตใจของจัตไม่เว้นแต่ละดวงละดวงนอกจากพระพุเทธเจ้าและพระรหัน์ท่านเท่านั้นนั่นท่านจริงสุดยุติแล้วในเรื่องทุกทางใจที่จหมุนเวียนต่อไปอีกเป็นอันว่าไม่มีตัดขาดสะบ้านลงไปนี่นี่ยธรรมของท่านที่ออกมาจากพระไทยของพระพุเทธเจ้าแต่ละพระองค์ จากใจของพระสาวกแต่และพระองค์จึงเป็นธรรมจำเป็นและสำคัญมากต่อมวลสัตว์ที่เต็มไปด้วยโรคภายในจิตใจเช่นความโลภ ค, ความกโกรธความหลงราคะตัณหาเหล่านี้เป็นต้นนี่เป็นส่วนใหญ่ๆที่กล่าวมานันีแล้วก็แต่ขนแขนงออกไปไม่มีประมาณและกิเลสประเภทเหล่านี้แหละมันเป็นเครื่อง บ, บีบ บ, บังคับให้สัตว์ทั้งหลายทำกรรมชั่วช้าหลามก <c oughs> โดยมีความหลอกลวงกลวนอุบายของมันแซงไปข้างหน้าเรื่อยๆไม่ยอมให้เราแซงหน้ามันได้เลยมันจะเปิดทางให้ทำด้วยความสะดวกด้วยความพอใจอยากทำเพราะฉะนั้นการทำความชั่วของสัตว์โลกจึงเป็นสิ่งที่ทำได้ง่าย กว่าการทําความดีในขั้นต้นหรือขั้นเริ่มแรกงการปฏิบัติความดีเป็นอย่างนั้นส่วน <c oughs> การทําชั่วนั้นพิเลศมันเป็นสิ่งที่ฝังจมมานานจากเท่าไหร่แล้วชานิชานานคล่องแคล่วในการบีบบังคับหรืออุบายต่างๆเสี่ยมสอนให้สัตว์โลกมีความพอใจทําความชั่วช้าละโมกต่างๆจนไม่มีประมาณ โดยไม่ทราบว่าผลนั้นจะเป็นอย่างไรแก่สวกับโลกรายนั้นนก็เท่ากับว่าหลับหูหลับตาทำไปถ้าลืมตาก็ลืมไปทางกิเลสไม่ได้ลืมไปทางอัตตังตังนอกจากจะว่าหลับตาเท่านั้นหละเหมาะที่สุดนี่มันสอนอุบายการสอนของมันก็ละเอียดมากหากเป็นขึ้นภายในจิตใจของเราแต่ละองค์แต่ละท่านแต่ละรายละราย ไม่ต้องมีครูมีอาจารย์ไม่มีใครมาสอนมันก็แตกขแขนงของมันไปเองยิ่งมีผู้มาแนะนำสอนแล้วยิ่งเอาอย่างได้อย่างรวดเร็วเราเห็นไหมทุกวันนี้เฉพาะ อ, อย่างยิ่งราคาตันหาํำเริบสืบสารเต็มบ้านเต็มเมืองบ้านนอกในเมืองแม่ที่สุดติดกระเป๋าไปคือวิทยุโทรทัศน์วีโอมาจากไหนเนี่ยมาจากความพอใจ ของราคาตันหาให้ผิดให้สร้างขึ้นมาแล้วให้ดึงให้ดูดจิตใจให้ติดให้พันยิ่งกว่ายาเสพติดแล้วความเสียหายของสิ่นล่านี้ก็มากเช่นเดียวกับยาเสพติดหรือมากยิ่งกว่านั้นเพราะมีด้วยกันไม่ได้เป็นรายบุคคลเหมือนยาเสพติดที่เขาเสพติดและตาหนิกันทั้งโลกนี้เลยอันนี้มันมีด้วยกัน <c oughs> นี่การส่งเสริมมันส่งเสริมได้ง่ายคือส่งเสริมด้วยความได้ด้วยความพอใจไม่ได้ท่องถูกบีบบังคับแล้วผู้ดูผู้ชมก็ติดอกติดใจประดำการต่ามๆกันสุดท้ายไม่ได้ทําไม่ได้ดูไม่ได้เที่ยวไม่ได้เตะเตะได้ร่อนไปตามเพลงของมันเป็นไปไม่ได้วันหนึ่งมันหนึ่งเหมือนอกจะแตกร่างกายจิตใจจะพังทลายถ้า ไม่ได้ไปตามอำนาจของสินเหล่านี้ชักจูงไปเยี่ยมสอนไปเพลงกล่อมกล่อมไปดูสิเป็นยังไงทุกวันนี้กับแต่กรนซึ่งแต่กรนพวกราคาตันหาเป็นต้นมันก็มีอยู่ในจิตใจเหมือนกับไฟลนะมันมีอยู่ในเตาเพียงไม่ให้ขาดเตามันก็มีของมัน เมื่อไม่มีเชื้อสเข้าไปมันก็ไม่แสดงเปลวแต่เมื่อมีเชื้อสเข้าไปมากน้อยไฟที่มีอยู่เพียงนิดเดียวในภายในเตานั่นแหละมันจะแสดงเปลวขึ้นเต็มที่เต็มฐานจนกระทั่งไหม้บ้านไหม้เลือนไปได้ชิดหายาบ ป, ป่วงไม่โดยไม่ต้องสงสัยนี่เรื่องของราคาตันหาซึ่งมันฝังอยู่ภายในเตาคือจิตใจของเราก็เช่นเดียวกัน <c oughs> เป็นสิ่งเมื่อมันเป็นสิ่งที่เราละไม่ได้อย่างง่ายดาย เราก็ต้องรักษาถ้าเป็นผู้รักตนถ้าเป็นผู้มีอัตมีธรรมพอเป็นเครื่องแก้ไขาดัดแปลงกันบ้างก็ต้องภายต่างคนต่างพยายามรักษาไม่ควรที่จะมาส่งเสริมมันให้ไม่บ้านไม่เมืองไม่สัตว์ไม่บุคคลเต็มโลกเต็มมังสารไปที่ดังที่เป็นอยู่อย่างนี้ น, นี่ก็เพราะต่างคนต่างมินดีต่างคนต่างพอใจเปิดทางให้ธรรมชาติอันนี้ มันเดินแะ่จนกระทั่งถึงโลกกับนินาศหรือขาดสะบ้านตามๆกันเลยไม่ว่าบ้านนอกในเมืองคนง่คนฉลาดคนมีคนจนติดงอมแงมเดือดร้อนหุ่นวายเพราะไฟราคะตันหานี่มันเผาผลาญโดยไม่ต้องสงสัยไม่เว้นแต่ละหลายแม่ที่สุดสมณะคือนัก บ, บวชเราที่เว้นจากสิ่งนี้ก็ยังถูก มันตัดคอได้ขาดสะบ้านไปโดยไม่ต้องสงสัยเพราะความหลวมตัวเพราะความไม่ทันกลุบายของมันนั่นแหละนี่พูดถึงสิ่งที่มันเป็นไผ่มันเป็นอยู่ในระดับธรรมชาติของมันและเป็นสิ่งที่ทําให้สัตว์โลกสัตว์ทั้งหลายรักชอบในระดับไม่มีใครเบื่อนายอิ่มพอ่อ ทั้งๆ ท, ที่สิ่งเหล่านี้มันเคยมีมากี่กลับกี่กันตั้งแต่ตั้งสมมติมามันมีมากี่กับกี่กันมันน่าจะเป็นเดนน่าจะอิดนาละอาใจเพราะรับแล้วรับเล่าซ้ำๆซากเป็นเดนไปซักไม่รู้กี่กับกี่กันมาแล้วมันน่าจะเบื่อนหน่ายถ้าเป็นอาหารก็เป็นเดนไปแล้วรับไอไปนักหนาสิ่งที่เคยรู้เคยเห็นเคยเป็นมันเคยเป็นมาตั้งกับทั้งกันไม่เพียงเป็น แต่วันนี้เดือนนี้ขณะนี้เท่านั้นมันน่าจะรู้สึกชินกับมันแล้วก็เห็นโทษเห็นไัของมันเพราะมันแสดงโทษอยู่ตลอดเวลาในฉากเดียว ก, กันกับความชอบใจของเราที่ดำเนินตามหรือเดินตามมันแต่ทำไมยังไม่มีใครเห็นโทษของมันไม่มีใครเบื่อหน่ายอิ่มพอมันไม่มีใครตาหนิเลยว่า มันเป็นเด่นมาแล้วตางกับตั้งกันเราจะไปตื่นเต้นอะไรกับมันนักหนาอย่างนี้มันมีไหมล่ะเราอยากจะพูดว่ามันไม่มีมีแต่การส่งเสริมบปเพราะฉะนั้นทุกจึงจะหาวันดับไม่ได้นอกจากจะแสดงเปลวขึ้นทั้งโลกทั้งศาลไม่ยอมรับความจริงสุดท้ายก็ติเตียนกันไม่ได้ให้แต่ชมกันวันยังคาคืนยังลุมพิษก็ชม ส่วนถูกไม่ต้องพูดกันจะเอาความถูกต้องมาจากไหนผิดมากผิดน้อยชมทั้งนั้นดีไม่ดีว่าคนนี้เด็ดขาดเนี่ยดูสิเป็นโจรเป็นมารเป็นเสือร้ายขนาดไหนยังต้องชมมากเขาเด็ดขาดดีไปซะอีกด้วยซ้ําพูดอย่างอื่นไม่ได้เป็นภัยแก่ตัวเองนี่แหละกิเลสมันกินมั น, นทั้งขึ้นทั้งล่องไม่มีคําที่แบบมันจะขาดทุนในเรื่องของกิเลส้วเป็นอย่างนี้แล้วสิ่งที่มันเป็นทั้งหลายเหล่านี้มันสร้างความเจริญ ความพาสุขเย็นใจให้โลกทั้งหลายได้รับความสงบเย็นใจบ้างมีไหมไม่มีถ้าสิ่งเหล่านี้กระจายไปที่ตรงไหนแล้วจะเดือดร้อนประดมตามกันหมดนี่แหละเหตุที่ทำของปราดท่านจึงมีอยู่ในโลกก็เพราะปราดนั้นฉลาดกว่าสิ่งเหล่านี้รู้สิ่งเหล่านี้ทุกแง่ทุกมุมนะประพัติปฏิบัติตน เพ็นสร้างความดีทั้งหลายมาโดยลําดับลาไาจนได้ตรัสรุธรรมเมื่อได้ถึงขั้นตรัสรุธรรมและบรรลุธรรมแล้วย่อมจะทราบสิ่งเหล่านี้ได้ดีที่สุดไม่มีใครเกินท่านผู้ที่เหนือจากสิ่งเหล่านี้ไปแล้วโดยสมบูร์ท่านเหล่านี้เนี่ยนำธรรมลึกลธรรมโอสถมาเยียร์รักษาพวกเราทั้งหลายที่จมดิ่งอยู่ในแดนนรกทั้งเป็นอันนี้ ให้ค่อยฟื้นตัวขึ้นมาด้วยความมองเห็นบาปเห็นบุญมองเห็นคุณชเห็นโทษเชื่อนรกสวรรค์เชื่อบุญเชื่อทานการกุศลตามทางของนักปราชญ์ที่ท่านได้หลุดพ้นไปแล้วเพราะทําเหล่านี้เป็นเครื่องสนับสนุนรุกจา ก, การบําเพ็ญของท่านเนี่ยเราจึงได้พอบําเพ็ญ ถ้าธรรมนี้ไม่มีในโลกแล้วโลกนี้ก็ไม่ผิดอะไรกับคนทั้งหูหนวกทั้งตาบอดทั้งน้วยเปียเสียแข้งเสียขาเอาไว่วะทุกสัดทุกส่วนมีเท่าไหร่ก็ใช้งานไม่ได้เท่ากับอย่างนั้นแหละถ้าไม่มีธรรมเป็นเครื่องเยียวยารักษาพอประทังได้บ้างแล้วจะเป็นเช่นนั้นโดยไม่ต้องสงสัยเรื่องของกิเลสมันพาให้เป็นเช่นนั้นหละพี่ธ น, นากัน แล้วก็ไม่มีใครที่จะอิ่มพอเบื่อหน่ายมันเห็นว่ามันเป็นเด่นเลยเป็นดั่งนี้ตลอดไปถ้าไม่มีธรรมเป็นเครื่องจับเข้าไปจับเข้าไปจะไม่เห็นเคล็ดลับของมันเลยมันมีเคล็ดลับอยู่ทุกอกัปวิริยาที่แสดงออกมาเพราะแสดงออกมาจากเคล็ดลับภายในแล้วก็มาเป็นเคล็ดลับภายนอกนอกไปเท่าไหร่ก็ไม่พ้นจากความเป็นเคล็ดลับเล่ห์กลของมันตลอดไปดับโลกยิงโลก ร่วหลงล่ ม, ล ม, ลมจมไปไม่มีวันอุดพอไม่มีวันฟื้นตัวขึ้นมาได้นี่มันเป็นเช่นนั้นนี่เมื่อปราดทั้งหลายแต่ละยุคแระสมัยที่ท่านปราศรู ป, ประการสอนธรรมนั่นแหะโลกพอมีเกาะมีดอนถ้าเป็นคนไข้ก็จุดนั้นมีหมอจุดนั้นสถานที่นั้นมียาคนผู้ที่อยากจะหาย จากโรคจากภัยของตนก็ต้องสแสวงหาหมอหายาลุมกันเข้าไปหาหมอหายาดังคนทั้งหลายมีความสนใจแค่ต่ออัตถธรรมของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ที่มาประกาศธรรมสอนโลกเวลาท่านแสดงธรรมนี้ปรากฏว่าผู้บรรลุมรรคผลนิพพานนี้เป็นหมื่นหมื่นแสนแสนนั่นแหละคือผู้ที่หายจากโรคจากภัยเพราะธรรมโอสถของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ ท่านหายอย่างนั้นวันนี้โรคได้บรรเทาเพราะยาขนาดนี้คือธรรมเทศนาของท่านอา้าวรายนั้นรายนั้นรายนั้นมีจำนวนมากน้อยค่อยเปลี่ยนแปลงฐานะของตนขึ้นสู่ธรรมละเอียดสู่จิตอันละเอียดเป็นลําดับจำดาแล้ววันนี้หลุดพน้นวันหน้าก็หลุดพน้นรายนั้นไม่หลุดพน้นวันนี้ขยับขึ้นมาก็หลุดพน้พนหลุดพ้นสุดท้ายก็คนจํานวนมากมายทําไมาจะไม่หลุดพ้นละ่ะ ก็เพราะรับยาอยู่ด้วยความโผล่พอใจคือใจสะแสวงหาความจริงอยู่แล้วกับธรรมที่เป็นความจริงล้นล้วนก็เข้ากันได้ง่ายาบรรลุธรรมได้อย่างรวดเร็วรวดเดียวดังประเภทอุคติตันยูนี่ถ้าเป็นโรค ก, ก็เป็นโรคที่คอยรับยาอยู่แล้วนิปจิตันยูก็เช่นเดียวกันเนยยะเป็นโรคที่อยู่ในตึ้งกลางถ้าไม่มียาก็ตายได้จริงๆแต่มียา เจ้าของอุตสาห์พยายามรับมีทางหายได้โดยไม่ต้องสงสัยนอกจากโรคที่ยังสมัยทุกวันนี้เขาเรียกประเภทไอซอันนี้ไม่ยอมรับอะไรทั้งนั้นพอส่งเข้าในโรงพยาบาลแทนที่จะไปหาหมอกลับเข้าห้องไอซียูดูแต่ลหมหายใจฟอดฟอดเท่านั้นนี่เป็นประเภทหนึ่งอนี่แหละพระพุเทธเจ้าทั้งหลายท่านมาตรัสดูมีคุณค่าแก่โลกมากขนาดไหนหาประมาณไม่ได้เลย พระพุทธเจ้าบางพระองค์มีอายุถึงแปดมืน 7, ปีเจ็ดมืนปีสี่มืนปีจนกระทั่งถึงมาระยะปัจจุบันนี้เพราะพระชนของท่านไม่สม่ำเสมอกันดังธรรมที่ท่านกล่าวไว้แล้วมีทีนี้แต่ละพระองค์นั้นท่านมาประกาศสอนธรรมเช่นท่านเปรตออกทรงรหนวดเมื่ออายุสี่มืนปี และบำเพ็ญพระองค์เพื่อสัตว์โลกทั้งหลายนั่นอยู่อีกสี่หมื่นปีการตรัสรู้ของท่านจวนมากมักตรัสรู้ได้อย่างรวดเร็วกว่าพระพุทธเจ้าของเหล่าเป็นเป็นอันมากทีเดียวี่แต่จะเร็วหรือช้ากว่าตามแต่ละพระองค์ที่ประกาศธรรมสอนโลกรวนแร้าแต่ธรรมโอสฐ์ที่หาสิ่งเปรียบสิ่งประมาณไม่ได้กิเลสหมอกพราบเพราะธรรมโอสฐ์ของท่านนะเมื่อ สัตทั้งหลายก็จำเจ อ, อยู่กับความทุกข์ความทรมานมามากต่อมากแล้วถึงการที่ควรจะเป็นไปได้เพราะความดีก็สร้างความชั่วก็มีความดีย่อมจะหนุนให้ได้สมมักสมหมายในวันหนึ่งให้เบาบางไปในวันหนึ่งนั่นแหละการแห่งความดีหนุนเข้าไปหนุนเข้าไปหรือการแห่งความดีได้เข้ามาประชิดตัว ต่อมักผลนิพพานแล้วย่อมสําเร็จไปได้เรื่อยๆเรื่อยๆนี่คือผู้สร้างความดีมาแข่ง ก, กันกับความชั่วมาเพราะความดีกับความชั่วย่อมมีในหัวใจอันเดียวกันแล้วก็ได้บรรลุธรรมเรื่อยๆแล้วลาลองลองนับดูดีบาพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์นั้นอออายุพระชนของท่านมีมากขนาดไหนท่านทําประโยชน์ได้มากเพียงไรประธานพระวติแต่ละครั้งละหนนี้ พุทธบริษัทปรรลุธรรมเป็นหมื่นหมื่นแสนแสนเทวบุตรเทวดาก็เป็นหมื่นหื่นแสนแสนแต่ละวันละคืนนี้ไม่ขาดว่าขาดตอนที่หรือขนสัตว์ให้พ้นจากโอะ ก, กันดารทั้งหลายในแหล่งแห่งความเกิดแก่เก็บตายที่โลกทั้งหลายหมุนเยียนกันอยู่นี้ท่านไม่หลุดพ้นไปท่านเหลนั้นไม่หลุดพ้นไปหลุดพ้นไ ป, นนไ ป, นไปมีจํานวนมากขนาดไหน นี่แหละพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้แต่รับพระองค์ทําประโยชน์ให้โลกมากเพียงไรแม้แต่พระพุทธเจ้าของเรานี้ก็ก็ลองคิดดูสิประกาศพระศาสนาอยู่สี่สิบห้าพันษาแล้วจนกระทั่งถึงมาถึงนี้เป็นกี่พันปีธรรมนี้เป็นประโยชน์ประโยชน์แก่โลกเรื่อยมาเรื่อยมาไม่เคยเป็นภัยแก่ผู้หญึงผู้ใดเลย นี่ละเรื่องธรรมะมีความจําเป็นต่อสัตว์โลกผู้ได้รับความทุกข์ความทรมานหรือว่าหรือว่าโรคเต็มหัวใจได้ค่อยเบาบางลงไปจากธรรมโอษฐ์ของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์พระองค์นี่พวกเราทั้งหลายเกิดมาในทํากลางแห่งพระพุทธศาสนาคือพระพุทธเจ้าของเราประทานพระวาทไว้ซึ่งเทียบกันกับว่าพระองค์ยังทรงกชนอยู่ประทานพระวาทด้วยพระโอษฐของพระองค์เอง โดยสวัสดิธรรมที่ตัดให้ชอบแล้วนี้แล้วนี้ให้เราทั้งหลายได้ดําเนินเดินตามอัตตามธรรมนี้ด้วยความยิ่งอกยินใจญาล้อแหละแล้ววันหนึ่งเราจะเห็นความแปลกประลาดอัจจจรย์มา น, นจิตใจของเราซึ่งพร้อมที่จะรับความทั้งหลายอยู่แล้วและพร้อมที่จะรับความประเสริฐเลืเล่อนโลดทั้งหลายอยู่แล้วเช่นเดียวกับใจที่เคยพร้อมในการรับความทุกข์ความทรมานมาเช่นเดียวกันเราจะได้รู้ได้เห็นวันหนึ่ง ในธรรมทั้งหลายที่พระพุทธเจ้าทรงประทานไว้นี้ไม่มีธรรมบทใดที่เก่าขํขาคร่าลึกหรือล้าสมัยไปแล้วเพราะได้หลายปีหลายเดือนเนื่องจากธรรมนี้เป็นอากาลิโกการสถานที่เวล่ําลาไม่เข้ามาเกี่ยวข้องเลยมีเป็นความจริงล้วนๆอยู่ตลอดไปนี่แหละเล่าดําเนินตามนี้จะไปไหนล่ะขอให้เดินดําเนินตามสวดคาราชมอย่าข้องอย่าแวอย่าดื้อด้าน หาสู้ด้วยความสําคัญของอกิเลสตัณหาเป็นทิฏฐิมรณะขึ้นมาต่อสู้กับธรรมก็แล้วกันแล้วพระพุทธเจ้าประทานไว้อย่างไรให้มีความเคารพยำเกรงเชื่อถือและปฏิบัติตามนั้นเถิดอืกิเลสอย่าให้เข้ามาแทรกได้ว่าอันนั้นพระพุทธเจ้าตรัสไม่ถูกอันนี้น่าสงสยัยอันนั้นน่าคล้องใจอันนี้ล้วนแล้แต่กิเลสเข้าไปแทรกธรรมขึ้นที่ว่าพระพุทธเจ้าแล้วไม่มีสินใดลี้รับ ในบรรดาความเินทั้งหลายที่จะไม่ทรงรู้ทรงเห็นจึงสอนไม่โดยถูกต้องแน่นดำนอกจากกิเลสเท่านั้นคอยที่จะแทรกจะแซงขัดแย้งกันอยู่ตลอดเวลากับธรรมทั้งหลายดัยงทุกวันนี้เราก็เห็นได้ชัดชัดในวงพุทธบริษัทของเรานี่แหละที่เป็นค่าสศึกน้ำลายกันอโจมตีกันนั้นโจมตีกันอย่างนี้ล้วนแนวต่ ก, กิเลสมันเข้าแทรกเข้าสิง ภายในจิตใจของผู้ปฏิบัติธรรมให้เกิดความสำคัญตนว่ารู้ว่าฉลาดว่าถูกต้องดีงามไปเสียทุกอย่างแล้วคัดค้านต้านทานเหยียบย่ําทำลายผู้อื่นแลสุดท้ายก็กลายเป็นฆาตกรในวงพุทธศาสนาขึ้นมาในพุทวงแห่งพุทธบริษัทนี้เรื่อยมาจนทั้งถึงปัจจุบันนี้เราทั้งหลายก็ไม่ต้องถามใครแล้วเรื่องอย่างนี้เห็นรู้รู้กันอยู่แล้วนี่แหละกิเลสแทร้รทำแทกอย่างนี้เพราะฉะนั้นอย่าให้มาแทรกหัวใจของเราผู้ปฏิบัติ เอาให้กินให้จำให้เคารพนะับน้อมต่อพระโอวาสที่เป็นส่วนคารธรรมนี่ท่านประทานข้อใดไว้อยา่ายาดื้อดึงฝ่าฝืนโง่ก็โง่ยอมโง่ไปเถอะโง่ไปตามผู้ฉลาดดีกว่าฉลาดไป ต, ตามคนงูธรรมชาติที่หลอกลวงเป็นได้ไหนเอามจะเป็นจะตายจะร่มจะจมเพราะพระโอวาทของพวะเจ้านี้ให้เห็นในตัวของเราเองเพราะพระโอวาทนี้ไม่เคย ทำความล่มจมแก่ผู้หนึ่งผู้ใดและพระพุทธเจ้าพระองค์ใดที่สอนโลกไม่เคยทําโลกให้ล่มจมมาแม้พระองค์เดียวจนกระทั่งปัจจุบันนี้เหตุใดพระโอาวาทของพระพุทธเจ้านี้ซึ่งเป็นพระพุทธเจ้าโดยสมบูรณ์เช่นเดียวกับพระเจ้าทั้งหลายจะเป็นพระโอาวาทที่เป็นโจรเป็นมารสังหารสัตว์โลกทั้งหลายให้ล่มจมเพราะการสั่งสอนอธรรมนี้ไว้นิเลไม่นี่นี่ละ่ะให้เราเชื่อบพระโอาวาทอันนี้ แล้วอย่าไปเชื่อผู้อื่นใดยิ่งกว่าพระโอวาทของท่านผู้สิ้นี่เหล็กแล้วนอกจากนั้นมีแต่ความมีกิเลสกิเลสจริงแทรกขึ้นมาเข้าใจว่าตนรู้ตนฉลาดสําคัญมาตนดีเด่นกว่าใครๆทั้งนั้นแล้วก็เอาความที่สําคัญมาดีเด่นมาสอนโลกเป็นธรรมเป็นความเลวสามสุดท้ายก็เลวไปหมดเลวไปหมดนี่ให้ระวังให้ดีย้าให้เข้ามาแทรกสิงติดใจของเรา ว่าอันนี้พระพุทธเจ้าจัดไว้ไม่ถูกอันนั้นจัดไว้ไม่ถูกถูกหมดที่ไม่ถูกก็คือตัวกิเลสนั่นละ่ะเข้าไปขัดธรรมถ้าเกิดพระนาจารของเราก็เ่านั่นแหละเป็นท่าสิทธิตอบธรรมของพระพุทธเจ้าให้ระมัด ร, ระวังให้เคารพเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาเอาให้กินให้จังโลกอันนี้ดังที่เห็นมาแล้วนี้ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเพราะโลกนี้ผิดขึ้นจากอํานาจของกิเลสเจ้าความมิประเสริฐเลิ่อเรือมาจากไหน ก็เต็มไปด้วยความทุกข์ความทรมานเกิดพบใดแชาติใดมีแต่ความหมุนเวียนการที่เต็มไปด้วยความทุกข์ความลําบากอตั้ง่าชาติพิทูขามาอย่างไรนะชราพิทูขามานํำพิทูขังมีสุขที่ตรงไหนแทรกอยู่ในนั้นมีตั้งแต่ความทุกข์ความทรมานตลอดมาเพราะความเกิดจากเจ็บตายเนี่ยพาให้เปลนไปแล้วความทุกข์ทั้งหลายก็ติดแนบกันไปอย่างนี้มันมีเสียที่สทั้งอะไรที่ไหนพอที่จะให้ตื่นเต้นเป็นบ้าเป็นหลังไปอะไรกับ เขาที่เคยเป็นและเราก็เคยเป็นมาแล้วตื่นอะไรเอาให้จริงให้จังในอัตในธรรมทั้งหลายปฏิบัติตนให้ให้แน่ตามพระโอวาทใครจะว่าอะไรก็ตามเถิะพุทธังสนังกระฉามินี้ฉามินี้เป็นหัวใจของเราฝากเป็นปากตายกับท่านแล้วธรรมังสนังกฉามิทั้งครังสนังกระฉามินี้นี้เป็นธรรมชาติที่เลิศเลยที่ฝากเป็นฝากตายได้โดยสมบูรณ์ไม่ต้องสงสัยแล้วไม่เหมือนกับลมปาก ที่เต็มเพด้วยความสกปรกของจิเลสฟุ้งออกมาแล้วหลอกทานั้นหลอกทางนี้ว่าดีอย่างนั้นไม่ถูกอย่างนี้แล้วเมื่อเชื่อไปตามก็เหลวทั้งเถริไม่เกิดประโยชน์อะไรอันนี้เคยเป็นมาแล้วเคยเหลอบมาแล้วเพราะเคยถูกต้มมาจากจิตเลสนานแสนนานมากต่อมากแล้วให้พากันจบจังเท้าวาดนี้ไม่เคยต้มใครเนี่ยเอาเอานี้เป็นเครื่องเทียบเคียงกันเพราะวาดของพุทธเจ้าของเรานี้โดยปัจจุบันที่เราปฏิบัติกับท่านอยู่นี้ เป็นแปดมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์นับพอประมาณแล้วไม่ไม่เคยมีพระว่าดบทใดบาทใดต้มสัดทั้งหลายให้ล่มจมชิพหายผล ป, ปี้ไม่เคยมีเลยแล้วปฏิบัติตามหลักธรรมนี้จะเกิดความชีพหาเอาให้เห็นให้เห็นต่อหน้าต่อตาให้มันได้รู้สตีว่าศาสนาพระเจ้านี้พาโลกให้ล่มจมมีเราเป็นอันดับหนึ่งให้รู้อย่างนี้อันนี้มันมีตั้งแต่กิเลสมันพาให้ล่มจมชิพหายเพราะความหลอกลวงของมันเลาก็ยังไม่เข็ดไม่หลับแะเราไม่เข็ดไม่หลับยัง เดินต้อยต้อย ต, อยตามกิเลสแล้วถ้าเราบอกเปิดไม่มีเนื้อมีหนังไม่มีจิตมีใจที่จะพอทำแทรกเข้าได้นะจะเป็นไปตั้งแต่กองกิเลสเต็มไปหมดในหัวใจของเราให้พากันตั้งใจเดินจงกรมอาเดินมันจะเมื่อขนาดไหนนี่คือทำงานนั่งสมาธิเอานั่งลงไปพิจารณาถ้าว่าจะให้เป็นความสงบก็เอาให อารมณ์แห่งสมถมะคือพุโทโธหรือทำบทใดก็าตามให้ความรู้แน่วอยู่นั้นประหนึ่งว่าโลกนี้ไม่มีมีแต่ความรู้กับคำใบริกรรมที่สัมผัสสัมพันธ์กันอยู่ยับแ ย, บ, ย, บ, ยบเท่านั้นและจิตไม่ย่อให้คิดให้ปรุงไปทางไหนเพราะเคยคิดเคยปรุงเคยหลอกลวงเราด้วยความคิดนี้มาแล้วนี่ก็ควรจะเข็ดทําไม่เคยหลอกลวงใครความปรุงของธรรมกับความปรุงของจิตเดียบมัน ต, ต่างกัน ความปรุงของธรรมเนเช่นอย่างพุโทธโธพุทโธนี่ปรุงเพื่อความสงบเพื่อความเยน็นเพื่อความสะดวกสบายเพื่อความเลิศเลยสําหรับหัวใจเราไม่ใช่เพื่อความเร็วตามไม่ใช่เพื่อความทุกข์ความทรมารดังกิเลชพาปรุงพาแต่งไปมันผิดกรรมที่ตรงนี้ถ้าจะพิจารณาทางด้านปัญญาก็เอาให้สิงให้จัง่งพินิจพิจาจรณาสิ่งดังที่เคยพูดแล้วกรรมาฐานทเที่ยวในสกุากายของเราทั้งภายนอกภายใ น, ยนยเชนะื้อสาโรมาคาตันตาตะโย เลื่อไปถึงเนื้อถึงหนังถึงเอ็ น, อนกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหมอกหัวใจตับทางปื้ดไตปอดไตใหญ่ไตน้อยอาหารใหม่อาหารเก่า <c oughs> พิจารณามันไปให้เห็นตามความจริงมันที่มีอยู่ยาไปเสกสรรปัญญอให้เป็นอื่นไปนั่นเป็นเรื่องของจีนเนสโดยที่เสกสรนปัญญอว่าเป็นของสวยของงามเป็นน่ารักเป็นสิ่งที่น่ารักใคร่ชอบใจมันน่ารักค่ายชอบใจอะไรถ้าเป็นกระดูกแล้วก็ดูที่กระดูกอยู่ข้างถนนเป็นยังไงกับกระดูกของเรามันผิดกันตรงไหนกระดูกของหญิงของชายใดมันก็เหมือนกัน เป็นเนื้อเป็นหนังกับมันกันเน่าเปะเกลื่อนถนนนั่นเห็นไหมมันวิเศษวิโสที่ตรงไหนนั่นแหละที่เหตมันเสกว่าวิเศษที่เศษมันเสกว่าน่ารักน่าจับใจเมื่อหลงไปตามมันแล้วก็พันคอจะของนั่นเละมันจะไปไหนส่วนทําท่านเป็นอย่างนั้นคลีคลายออกให้เห็นตามความจริงไม่เศษไม่สันพันย่อเลยความจริงไปความจริงท่านพูดถึงว่าอาุูภาอาุูพังมันตัวก็ปกจริงๆนี่นะท่านหลอกที่ไหน ถ้พูดถึ ง, งอันนี้จังทุกขังอนัตตามันก็เป็นอันนี้จังจริงๆแปลสภาพอยตลอดเวลาจริงทุกขังบีบบังคับตลอดเวลาอนัตตาเอาสาระแก่สารใดจากสิ่งเหล่านี้ได้ใครเกิดมาก็มายึดมาถือชั่วการใช้เวลาแล้วก็สลายลงไปพังลงไปได้ประโยชน์อะไรเนี่ยนี่ความทุกข์มันฝังอยู่ในหัวใจมันไม่ไสลายนั่นสิมันลําบากนะไปเกิดในภพใดชาติใดฮาบตั้งแต่กำชั่วด้วยความพอใจในการทําความไม่ดีของตน ผลก็เป็นมิบากอันทุกอันเดือดร้อนมหาตะทุขขึ้นมาภายในจิตใจตามมิบากแห่งตนที่ทําไม่มากน้อยหรือหนักเบาเพียงไรนั่นแหละไม่มีผู้อื่นผู้ใดที่จะไปทํางานแทนได้ไปรับบาสรับกรบกรมรับความทุกข์แทนเราที่ทํานั้นได้เราต้องเป็นผู้เสวยกรรมท่านเียว่ากรรมสักโกมีกรรมดายาดุกรรมเรามีกรรมเป็นของตนน่ะมีกรรมเป็นอืที่ยึดที่อาศัยมีกรรมเป็นทายาทั่นก็บอกไว้แล้ว กรรมสะโกมีธรรมดายาโดกรรมโยนิกรรมปันทุกรรมกติเช่นนัมีกรรมเป็นเนนเกิดมีกรรมเป็นถอกพันมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยถ้าเราทำดีกรรมดีก็ให้ผลแก่เราถ้ากรรมเราทำกรรมชั่วกรรมชั่วก็ให้ผลแก่เราทั้งสองอย่างนี้ให้ผลต่างกันถ้าเป็นกรรมดีก็ให้ผลเป็นสุขไปเรื่อยๆตามแต่วิบากแห่งกรรมดีนั่นมีมากมีน้อย กรรมชั่วก็เช่นเดียวกันมีให้ผลไ ป, ไปทางความทุกข์ความลำบากมากน้อยตามอํำนาจแห่งกรรมชั่วที่ตนทําไว้มากน้อยเีย่ไหนนะไม่ ม, มีใครที่จะแบ่งสันตันส่วนจากกันและกันได้สิ่งนี้เพราะฉะนั้นเราจรึงควรระมัดระวงังเรื่องความไม่ดีกรรมมะแปลว่าอะไรแปลว่าการกระทําเรามีอำนาจแห่งการทํากรรมแต่กรรมเมื่อเราทําแล้วก็มีอำนาจที่จะให้ผลแก่เรานี่มันเปลี่ยนเรื่องกันที่ว่าเรามีอมนำนาจทากรรม เวลาทํากรรมลงไปแล้วกรรมก็มีอํานาจนิบากนะิอย่างกรรมนั้นมันมีก็มีอานาจให้ผลแก่เราเช่น <c oughs> ยกตัวอย่างเอาเอาเอ า, เอากลางๆนะไม่เป็นบุญเป็นบาปเช่นเรารับทานลงไปรับทานลงไปเรื่อยๆก็ให้ผลไปเรื่อยๆจมนมาสร้างถึงความอิ่มแล้วบงังคับให้มันเลยกว่า น, นั้นมันเป็นไงที่นี่มันดีไหมมันไม่ดีเมื่อถึงความอิ่มพอแล้วก็ฟังเท่ากัพอแล้วเถะนี่ก็เป็นอย่างนั้นะ ท่นรับมากๆแล้วก็เหมือนชูชกเนีนยไหมเขียนเป็นประวัติไว้นั่นเพื่ออะไรก็เพื่อความโลภความไม่รู้จักประมาณความไม่มีเมืองพอให้ในรู้เรื่องรู้ตัวให้อยู่ในความพอดีจะเป็นสุขสวมกับอาหารหล่อเลี้ยงโลกมานานแสนนานไม่รู้กี่ขับกี่กันแล้วอย่าให้มาเป็นภัยแก่แก่ตนท้อคํ า, คาโลภไม่ถูกต้องอะไรเลยนี่แหละข้อเปรียบเทียบเป็นอย่างนี้การพปฏิบัติตัวให้เข้มให้มีความเข้มแข็งให้มีความจริงใจต่อทุกสิ่ง ยาหล่อแหละนิสัยหล่อแหละนี้ไม่ดีเลยหลักพุทธศาสนาไม่ใช่หลักทำแห่งความหล่อแหลกพระพุทธเจ้าไม่ใช่องคหล่อแหลกธรรมจึงไม่ใช่ธรรมหล่อแหลกพอที่จะสอนคนให้หล่อแหลกทำมาไให้มีความจริงความจังมีสติมีปัญญาสอดแทรกอยู่ทุกระยะการและทุกหน้าที่การงานของตนที่ทําลงไปนั่นแหละชื่อว่าผู้ปฏิบัตินักบวชเป็นนักไข้ครวน เป็นความเป็นผู้อดทนก็อยู่ที่นี่ความอุตสาห์พยายามความพิจิตรพิจารณาความมีสติอยู่ที่นี่อยู่ที่นักบวชถ้านักบวชไม่มีแล้วใครจะมีในโลกนี้เพราะทําเหล่านี้เป็นธรรมเครื่องสรงมรรคสมผลแต่แท้ถ้ามีสติมีปัญญามีความภาคเปลี่ยนมีความอุตสาห์พยายามมีความจงใจในทางความดีแล้วความความดีนั่นแหละจะเป็นสมบัติของเราเราจะเป็นผู้สรงมรรคสงผลโดยไม่ต้องสงสัยเพราะความจริงจังในการกระทําทุกอย่าง พากันจําเอาคำว่าทำเพียงเท่านี้อะเป็นคําที่เหมาะมากแล้วคือจะแปลให้มากยิ่งกว่านี้ไม่มีอะไรจะเหมาะจะถูกต้องดีงามเลยถ้าถ้าเราอยากจะทราบว่าทำเป็นอย่างไรแล้วขอให้ปฏิบัติใจของตนเริ่มตั้งแต่สมาธิทำขึ้นไปเถอะทำเป็นอย่างไงอ๋อนี่ทำเป็นอย่างนี้ ขแขนงของธรรมคืออะไรเชนะนะ่นอย่างจิตเป็นสมาธิอืนี่ก็สมาธิธรรมนะฟังอย่าแยกมุมประเภทประเภทสมาธิธรรมปัญญาธรรมวินิจติธรรมนะเป็นยังไงที่นี่เขาเรียกว่าธรรมทั้งนั้นเหมาะสมกับผู้ที่สง่งจะรู้จะเห็นจะเข้าใจในคําว่าธรรมแต่จะพูดออกมาว่าธรรมแปล ว, ปว่างั้นแปลว่านี้แปรวันยังคําก็กลายเป็นลมเป็นแรงหาที่สุดยุติไม่ได้เลยนะ เราพูดได้ให้เหมาะที่สุดก็คือว่าธรรมเช่นขอความเป็นธรมธรมธรว่าธรรมนี้ครอบไว้หมดทั้งเหตุทั้งผลความยุติธรรมเนี่นี่ะธรรมที่กล่าวนี่อะไรจะเป็นธรรมเป็นผู้สง่งแล้วอะไรจะเป็นผู้สัมผัส ร, รับรู้อะไรจะเป็นผู้รับรสทับชาติแห่งธรรมเหล่านี้แล้วใครจะเป็นเป็นผู้สง่งหายสงสัยละ่ะก็คือใจ น, นั่นแหละ จะเป็นผู้ทราบทุกอย่างในบรรดาธรรมทั้งหลาย<ฤ>ซึ่งใจเป็นภาชนะที่รวมแห่งธรรมทั้งหลายอยู่ที่ใจขอให้ทุกท่านตั้งใจงพษษษษษษษษุทธปฏิบัติอย่าทำแล้วหล่อแหลกๆนะทํามวยเจ้าไม่เด็ดพาพวกเราให้หล่อแหละเรามันหล่อแหลเองถูกกิเลสมันจุดมันลากทําทะไรไม่เป็นทิน้งเป็นทันเลี้ยวไหลสุดท้ายก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรก็อยู่กับครูกับอาจารย์ไปองค์ไหนก็ไป แต่ความเลาะแหละนั่นแหละมันยเยียหัวไปนั่นสิให้หัวค้ำ ม, มํางลงไปมั น, นงือยหน้าขึ้นไม่ได้สูกทําทั้งหลายไม่ได้มี่ต้องเยวความเราและ้องใจเพราะหน้าของกิเลส น, นี่แหละไปที่ไหนก็ไม่ได้เรื่องใดหราวไปอยู่กับครูวาจารย์องค์ไหนองค์ไหนองค์งปรากฏชื่อหรือนาม ด, ดุริยางขนาดไหนก็มีแต่ท่านตัวเราเองก็ไม่เป็นท่าเพราะเราทําแบบไม่เป็นท่าจะเอาอะไรมาเป็นท่าละ่ะ ม, มีมาศึกษามาเพื่ออะไรดังที่ท่านทั้งหลายมาสู่ที่มีมาเพื่ออะไรผมก็ได้จะให้การแนะนําตั้งสอนอุบายต่างๆตานั้นแต่การประกอบความภากเพียรที่จะให้ดีให้เด่นมากน้อยอย่างไรนั้นเป็นหน้าที่ของท่านทั้งหลายจะพึมขวนขวายเข้ามาสู่ตนเต็มสติกําลังความสามารถจนเป็นถึงขั้นนมุตดบุดพ้นธรรมของมู้นเจ้าไม่ได้กีบกันเปิดทางให้ตลอดเวลาสําหรับผู้ปฏิบัติเพื่อมรรคผลนิพพานไม่มีคําว่าลําเอียง ขอให้ตั้งใจเพื่ฏิบัติถ้าอยากทรงนักทรงผลทรงความบริสุทธิ์บิดพน้นดังพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายท่านทรงและไม่สงสัยว่าพระพุทธเจ้าเป็นอย่างไรภาษาวกเป็นอย่างไรที่ท่านบริสุทธิ์แล้วท่านบริสุทธิ์อย่างไรเราจะเอาได้เอาใจของเรานี้เป็นสักขีพยานยืนยันกันเลยร้อยเปอร์เซจะไม่สงสัยพระพุทธเจ้าไม่สงสัยความบริสุทธิ์ของท่านไม่สงสัยความเพราะเราไม่สงสัยในความบริสุทธิ์ของเรา่ะเป็นอย่างนี้นั่น อาการพยายามทำก็เห็นมาสมควรรู้สึกเหนื่อยเพราะปกติเหนื่อยอยู่แล้วเวลาเราไม่ไปเราไม่อยู่ให้เคารพตนนะดังที่เคยพูดแล้วอย่าให้มีอะไรๆกันผู้ปฏิบัติธรรมให้เด่นในธรรมความเด่นในธรรมคือความประพฤติปฏิบัติดีปฏิบัติชอบต่อกันความเป็นธรรมต่อกัน ไม่มีการขัดการแยง้งไม่มีการทะเลาะวิวาสบาทหมางซึ่งกันและกันนั่นคือความเป็นธรรมแห่งความประพฤติของพระการปฏิบัติของพระถ้าสิ่งกลงข้ามได้แทรกขึ้นมาให้แสดงอกับจริยาเป็นแบบโกงข้ามแล้วนั่นคือเรื่องของจิตหลออกสงครามด้วยขึ้นเบทีแล้วมเมื่ออันนี้ขึ้นอันนี้ไปที่ตรงไหนแล้วจะหาความสงบโลมเย็ยนไม่เลย ราวลามอย่างน้อยนอกจากนั้นแตกกระ จ, กกจายนี่นี่เรเรื่องของกะเลสไปไหนมันเป็นอย่างนั้นถ้าทําไปไหนเย็นไปเลยนี่มันเป็นคู่แข่งกันอน่างงานการอะไรอย่ายุ่งมากนะเราไม่ได้เห็นงานการนะและไม่ชินกับงานนะเพราะเพราะทำภูเก็ตไม่ให้ชินทํานั่นทํานี่ยุ่งตลอดเวลาไม่ดีให้ทําตรงนี้บอกแล้ว วาวดิเรนเลู่เนี่อยู่ในหัวใจกันีถือเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นการเป็นงานจริงๆในจุดนี้เพราะงั้นเราถึงไม่ให้พาทำอะไรๆวเวลาเราประกอบความภาคเพียรเราก็เป็นอย่างนั้นด้วยนะไม่เคยได้ก่อสร้างอะไรเลยตั้งแต่วันออกปฏิบัติจนกระทั่งมาถูกเสบสันให้เป็นครูปอาจำ์ันทงหมู่ื่อนมาตรอจทุกวั น, น เราต้องได้ระวังเสมอจะทำอะไรก็ทำแต่ได้ต้องระวังให้มีขอบมีเขตไม่แค่จะทำแบบกุมสี่ถห้ากลายเป็นนิสัยของพระชอบก่อสร้างหัวใจไม่มองมองแต<อ>่แต่งนานเคยข้างนอกรอเราทำความเพียรอยู่นี่เราเองไปทำงานเลยเวลามาทำความเพียรมันจะรู้สึกนิ่ๆ อย่างน้อยซก่อนต้องเป็นนิดๆอย่างน้อย น, นี้ๆก่อนมากกว่า น, นั้นก็เหลวนี่เพราะฉะนั้นนี่จึงไม่ไม่ให้งานมันขาดมากขาดตอนงานภายในให้สืบ ต, ต่อกันโดยลำดับอุบายวิธีที่ช่วยงานของเรามันก็มีหลายแบบดังที่เคยพูดแล้วอุดนอนผ่อนอาหารอะไรเหล่านี้ก็เคยพูดแล้วนี่อุบายช่วยความเปลี่ยนของเราให้ให้คล่องตัวมันไป น, นี่คือมัน นันจริงเหมือนแต่ก่อนไม่ได้ให้ความเพียรมันเด็ดมันเดี่ยวเหมือนแต่ก่อนไม่ได้สถานที่มันถูกถากถูกทางเป็นไรเป็นนาเป็นสวนไปหมดเป็นบ้านเป็นเรือนของคนที่ภาวนาที่สง บ, บเงียบเหมือนแต่ก่อนหรือเปลี่ยวๆเหมือนแต่ก่อนไม่มีเดี๋ยวนี้ไปที่ไหนเหมือนกันหมดเลยทางภาพอกสานนี้ไปที่ไหนก็เหมือนกันหมดแล้ว ไปที่อื่นมันก็มีไปอย่างเราผ่านไปชัยภูมิออกไปอะไรคองละลายเลยหรือ ล, ละรลายมีแต่สวนที่เขาถากเขาถางต้นไม้ใหญ่ใหญ่ออย่างเี้ยลงจนเกลี้ยงไปหมดนะตั้งแต่ชัยภูมินี้ออกถึงนู่นมันเป็นตรง้นล้วนว น, นั่งรถไปมองทองภานทางมันก็เห็นทัดเจียนต่อไม้ขอนไม้เต็มไปหมด เกื่อนเขาพุ่งทําเนี่ยผมตอนผมไปโอ้โหหมดละที่นี่ว่ะนู่นเข้าไป อ, อํัมพวิชชงวิเขียนมิถาปานั้นนั่นนะหมดเป็นสวนไปหมดเนี่ยกับอย่างนั้นเนี่ยแต่ก่อนกล้าไปทา้งไหนก็มีแต่ป่าแต่เขาที่สะดวกสบายในการประกอบความภาคเปลี่ยนออกสองออก้าคทั้งเราเป็นเนี้ยเ ป, เป็นความเปลี่ยนแล้วเป็นป่าแล้วอพอเราบุกป่าไปนี่ไปไหนกันเดี๋ยวนี้ไม่มีนั่น มันสิ่งอำนวยความสะดวกให้เรามีน้อยมากตักวันอันนี้ก็เพราะอะไรความโลภมันก็มากไม่ได้เราจะพาเพียงเลี้ยงปากเลี้ยงท้องหรอกความโลภมันใหญ่กว่าปากกว่าท้องมันึะพาคนให้ทุกข์ร้อนมากมายไม่มีใครว่าสะดวกสบายคนนั้นก็ว่างานมากอันนี้งานมากกิกงานมากกว่าฝึกซ้อมก่อนนะก่อนที่จะบวชบวชเปนสี่สิบ้าไม่ได้นะ แต่ว่าไม่เอาความสะเพ่ามักงา่ายมันเต็มอยู่ในโลกนี้นะเข้ามาในธรรมก็ไม่พ้นเราก็เห็นในชัดนผีราช<ม>เป็นอาจารย์หมอในน้อยเมืม่อไหร่บวชจากวัดสัปปะทุมหรืออะมาแล้วก็มาหาเรานี่มาข อ, อนิสัยเราพูดอะไรไม่ถูกต้องเลยเราก็เลยโดดนี่นี่มันโถน้ากันยังไงกันนี่บูชาบวชยังไง บวกจุมี่จมห้าอย่างไงนี่ทำได้เหลวไหลไหลนี่วะโอไม่ไหวนะทําอำแบบนี้นะวะมันเหลวไปหมดนั่นน่ะทางรัดก็เหลวอย่างนี้ทําไงวะหาหลักหาเกณฑไม่ได้เราก็พุ้งกลวงเลยเนาะผมเป็นอย่างนั้นหนึ่งพวกเห็นแก่ทำเนะี่ยไม่เห็นแก่ผู้หนึ่งผู้ใดที่แบบเหนือธรรมนะ่นก็เราเข้าสู่ธรรมเพื่อความถูกต้องสวยงงามก็ต้องให้ธรรมเดินหน้าบ้างทิจะให้ความเอากิเด็สมาเดินหน้ามันเหมาะสมที่ตรงไหน ส่วนนาเพียงให้นิสัยนัเเสียงกระเละเปะปะฟังไม่ได้จับได้แสงเลยมันนาดูกุกระดัวจะมั่งเลยไม่เอาไหนก็ถือว่างานมันมากงานทางโลกมันมากก่าเราจะไปปฏิบัติทำงานตั้งทำไม่มันเป็นของเล็กน้อยเหรออืมเดี๋เราจะมาบวชเป็น เป็นเรื่องของธรรมแล้วมันก็ต้องให้เป็นธรรมดิไอ้มาโรคโรคมะเดียบอีเร่อเวลาไงไหนก็ไม่พ้นที่ว่ะกิเลสออกหน้าออกหน้าเนี่ยนี่อันนี้แหละโอ้โหมันน่าละอ่างจริงนะมองไปแค่แคแค่แบบนี้มันเป็นยังไงก็ไม่รู้นะตาฟ้า ฟ, าฟา้าฟังฟังเนี่ยมันอดคิดไม่ได้นะเนี่ยที่ได้ว่าใ ห, หมู่เคื่อนๆๆู่เสมอตามองไปมันก็ขวางแล้วนี่ฟังมันก็ขวาง มันออกมาด้วยวิธีใดออกมาด้วยความพิจิตพิจารณาด้วยความมีเป็นธรรมน้วยเป็นธรรมหรือเป็นกิเลสมันบอกแทบชาติอยู่ในกิริยาที่แสดงออกอเอาเก็บวันนี้อ่ะเรื่องวันน